เอาตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กเล็กน้อยแล้วกยค่อยเลิกกันนะั้นคณะสัทธาญาติโยมลูกลานพวกเราได้ไประชุมเพลิงคุณโยมพี่โยมตาวโยมยายท่านก็ อ, อายุแปดสิบปีตาตามไม่จริงเกินอายุไขนะคณะสัทธาญาติโยมทุกวันนี้คนอายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไข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 ใจจะขาดนะเราจะนึกคิดถึงเรื่องอะไรนะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะพวกเราจะต้องได้ฝึกเอาไว้เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราจวนเจียนใจจะขาดนึกไปในทางชั่วนะบาปอากุศลก็จะวิ่งเข้ามาให้ผลไปทางชั่วก่อนแต่ว่าทางดีก็ไม่เสียหายก็รอให้ผลต่อเมื่อภายหลังแต่ถ้าาว่าใครก็ตามทําความชั่ว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 ถึงขราวสุดท้ายพระพุทธองค์จะรู้ได้ทั้งหมดจะไปทางไหนก่อนอย่างนางมัลลิกาที่เป็นอัคระมะเหสีของพญาประเสิทธิโกศนเป็นผู้มีปัญญาคนหนึ่งแล้วก็ได้ทําบุญกับพญาประสิทิได้ทําบุญอาธิษฐานค้างยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นผลงานของนางมัลลิกา ท, ทําทีเดียวหมดทั้ง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 บางคนอ่าทำบุญแข่งกันไม่ได้บุญอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นการทำมาไหก็ตามถ้าแข่งกันถ้าแข่งกันหาเงินมันก็ต้องในเงินถ้าว่าแข่งขี้เกียจมันก็ได้ทุกข์ทุสเซ็ตแขงแล้วสิแทแข่งขี้เกียจแข่งทาความชั่วก็เหมือนกันก็ต้องได้บาปก็ต้องได้ทุกข์ถ้าแข่งทำคุณงามความดีจะไปตกต่าได้ยังไงก็ต้องเป็นบุญเป็นกุศล พระยาประสเสนกับพี่น้องประชาชนกรุงสาวัถีแข่งกันทําบุญวันหนึ่งพระยาประสเสนทำเอาให้ดีนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์แล้วทําบุญเ อ, เอาบริษัทบริวารทุ่มเทลงวันลุงเขื่นพี่น้องประชาชนชาวเมืองร่วมกันทําบุญ ต่อมาเอกพระยาพรนเสินทำเอกทำบุญต่อมาพี่น้องประชาชนรวมกันทำบุญพอในสุดพระเจ้าพระเสินครั้งที่หเนี่ยอ่อนอกอ่อนใจเพราะเห็นพี่น้องประชาชนเขาเขาทำเมื่อครั้งที่4ีเนี่ยยักษ์จะยอมแพ้เขาแล้วแต่นางมริกาก็บอกเอ้ยจะไปยอมแพ้ทำไมเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอุปกรณ์ในการทาของเรามีมากที่จะเอาชนะ ชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาช้างเขาไม่มีกองเรามีช้างเอาช้างมายกชัดตั้งบรรลังขึ้นมาเอาช้างมายกชัดช้างทั้งห้าร้อยตัวเนี่ยมายกชัดเนี่ยจะเก๋ขนาดไหนลักษณะอย่างนั้นพญาประสิทธิ์โอใช่ก็เลยเตรียมช้างไปยกประกระทนว่างั้นให้พระขนั่งชั้นบนธรร ม, มาทั้งเป็นองค์เป็นองค์ไปช้างก็หมอบถือประกรทน กันให้นี่แหละอันนี้ก็คือในช่วงหนึ่งองค์ุริมาณโจนเนี่ยท่านในบวชท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหานเหมือนกันนะองค์ุริมาณที่ฆ่าคนเยอะๆนะแต่นี้ก็ท่านก็เป็นองค์สุดท้าย อ, องค์สุดท้ายแต่นี้เป็นพระองค์ที่500ร้นี้ก็ช้างหมดพอดีได้499ตัว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 ปล่อยไปนะมันไม่ได้ว่านะีคู่คนอะไรมันเหยียบดะไปหมดเลยทีนะี้ปล่อยเข้าสู่อริศัตรูมันก็มีประโยชน์ในการรักษ า, าประเทศชาติในใยุคนั้นสมัยนั้นฮะทีนี้ก็ช้างตัว น, นั้นเขาก็ผูกไว้มัดเอาไว้ก็ว่ามีช้างอยู่ตัวเดียวที่มันดุร้ายอยู่นะจะออกออกมาไหมแต่บางทีมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายแต่รวยมากก็ไม่น่าเสี่ยง คนทั้งหลายโอ้ถ้าหากว่ามีแต่องค์คุริมานพระองค์เดียวนั่งไม่ได้ไม่มีปกระทนกัน้นองค์อื่นมีหมดดูดูดแล้วมันไม่สมบูนาเอายังไงก็เสียงดูก็เลยเอาช้างตัวที่ขังไว้ในกรงนั่นออกมาพอออกมาเทานี้มายกปกระทนโอ้ช้างตัวนั้นทําดีกว่าช้างตัวอื่นอีกต่างหากทีนี้นอกิริยามารยาทเรียบร้อย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 เช้างตอนนั้นก็จับเข้ากรงอีกพระสงฆ์ก็ถามเท่าน อ, องคุลิมาลเป็นไงท่านรู้สึกยังไงเวลาช้างต น, น, นมาตั้งประกตนให้ท่านตั้งกดให้ท่านท่านกลัวไหมพระองคุลิมาลบอกว่าโอ้ไม่กลัวผมไม่มีความกลัวครับพระสงฆ์แถลงแสดงว่าพระองคุลิมาลอวดอุตริมนุจ ธ, ธรรมคําว่าไม่กลัวคือพระรหันเท่านั้นแหละไม่กลัว นอกนั้นคําว่าผุุ้ชนไม่ต้องกลัวเราไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเอฉยชายองค์ริมาณเป็นพระอรหันแล้วท่านหมดกล้าหมดกลัวจิตใจของท่านเป็นอมตะท่านจิตใจท่านนิ่งเสมอไม่มีคําว่ากล้าไม่มีคําว่ากลัวจิตใจของท่านมาตรฐานสแตนด์ดนี่แหละอันนี้ก็คือในพระองคุริมาณจากนั้นก็พระพุทธองค์ไม่อนุโมทนา พญาเปรเสียนก็รู้สึกน้อยพระไทยนะเอ๊ะทำไมเราทําบุญทั้งถินขนาดนี้พระพุทธองค์จึงไม่อนุโมทนาให้พรนะเป็นเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าลืมหรือเปล่าก็ไม่น่าลืมนะงานใหญ่ขนาดนี้เลยพญาปรเสียนก็เลยแบบเดินคอตกเน้ะงานเด็ดเดินคอตกไปกราบพระพุทธเจ้าตอนเย็นอตอนเย็นมาก็ไปกลับพระพุทธเจ้าขาดข่าพระองค์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 ประมาต่อพระพุทธเจ้าประมาต่อพระสงฆ์เพราะนั้นตถาคตมองเห็นเขาแล้วจึงไม่อนุโมทนาให้พรจึงเดินออกมาพญาประเสิทธิ์ก็โอ้ทาไมเป็นอย่างนั้นวะเราเป็นผู้ทําบุญแต่คนอื่นเป็นผู้ประมาตเป็นผู้ดูถูกเกียรติยามเราทําไมมันเรื่องของเราเนี่นยานาญาณก็เลยเรียกประชุมอํามาตย์แต่พระพองค์ก็บอกว่ามีอํามาตย์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 แล้วทําพอจิ๊บจ่อยมันน่าเสียดายน่ะถ้าเป็นอย่างเรานอะโอ้เราจะทําให้เต็มอิ่มเลยนะถ้าเป็นถ้าเรามีทรัพย์สมบัติอย่างพระเจ้าปเสนีนาะอันนี้อีกทัอำอามาตคนหนึ่งอามาตมีอยู่สองคนฮนชะ่อามาตคนหนึ่งโอ้พระยาปเสนีทาไมโงนะ่นักได้เงินมาไม่รู้จักใช้เอาไปถวายส ม, มณ ะ, อะพอส ม, มณะใช้แล้วกันเะป็นนอนตีพุงอยู่ในปา่าไม่ได้ช่วยราช ก, การงานเมืองอะไรทําไมโงนะ่นัก พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้คนหนึ่งนะนี่แหละนานาจิตตังนานาทัศนะเนี้ความคิดของคนมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ะตอนนี้พญาประสิทธิ์ก็เลยเรียกอมารมาพร้อมหน้ากันหลายๆคนพญาประสิทธิ์ก็ถามว่าท่านอมาตเอท่านได้คิดอย่างนี้อย่างนี้นจริงไหมอมารคนนั่นก็บอกว่าจริงครับเออ่ผมได้คิดอย่างนี้จริงๆครับครับ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 นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องพญาปเสณท่านทําบุญท่านทําจริงๆแต่ท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะท่านไม่ได้ปรารถนาเป็นพระหรหันต์นะพญาปเสณจากนั้นมาพูดถึงอัครมเหสีของท่านเถิดนางมาลิการ์ก็เป็นผู้เป็นผู้มีปัญญาเป็นอัครมเหสีใหญ่พอเจ้าพระเจ้าเป็นดินในยุคนั้นสมัยนั้นมีสนมนาลีสนมกํานัน มาริกาเนี่ยเป็นอัครมเหสีใหญ่แต่ท่านก็ทําไม่ดีบางอย่างครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐจับได้ในความชั่วของท่านแต่ท่านก็โกหกเพราะท่านมีปัญญานางมาริกาโกหกสามีแต่สามีก็พระยาประเสริฐก็ชื่อชื่อตรงๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ซักไซไละเลีเยงก็ได้จบแต่ในใจของนางมาริการ์คิดโอ้เราโกหก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 พอตายไปไปตกนรกเลยท่านพอใจขาดไปตกนรกไปตกนรกแผ่นทองแดงแปบลบว่าเป็นแผ่นทองแดงรัดเพียงข้ อ, ขอเท้านะร้อนมากเลยนางบริกาแล้วก็ไฟลุกจากนั้นพญาปเสนในกรมเพื่อนางบริกาสวรรค์คตไปแล้วก็ถวายมอบจัดการถวายเพลิงศพ อย่างพวกเราถวายงานศพย่างโยมพี่ตาวันนี้แหะอพอถวายเสร็จเรียบร้อยก็ เ, เราควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าว่านางมริกานี่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคงจะไปสวรรค์ชั้นไหนอยากจะไปถามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้อดีตอนาคตว่านางมะริกาตายแล้วไปตกนรกไปตกนรกท้าพญาปเสนบอกว่านางมะเกาเนี่ ตายแล้วไปตกนรกนะเดี๋ยวนี้อยู่ในนรกนะพญาประสเสนก็จะเสียพระไทยมากเป็นมิตรสาธิติขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหขนานางมาลลิกาทําบุญขนาดนี้แนละ้วไปตกนรกขนาดนั้นเชียวเหรอข้าพรเจ้าเจะเนบไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และต่อไปใครจะไปทําคุณงามความดียิ่งกว่านางมาลลิกาฮนะพญาประสเสนจะคิดไปอย่างนั้นท่านี้พระพุทธองค์ก็รู้อีกพระเจ้าประสเสนจะน้อยใจอย่างมากเพราะท่านเขารัก นางเบลกาอากาเมเหสีอย่างมากฝังจิตฝังใจเขาอยู่จากนั้นพระองค์มีอิทธิฤทธิ์พอพระเจ้าประสเ็นที่โกศลเข้าไปอยากจะถามเรื่องนี้แหละ เ, เพระองค์ก็คงจะใช้อิทธิฤทธิ์ทุกวันก็คงจะใช้แบบคาถาหมากินความคิดลักษณะอย่างนั้นะหละอพอยาประสเสนเข้ามาพระ อ, องค์บันดาลให้ลืมอพอมาถึงแล้วพระเจ้าประสเสนลืมลืมถาม ถามแต่อย่างอื่น เ, เสร็จแล้วกลับไปไปถึงเวียงบางโอ้ตอตยตๆลืมถามวา่นางนมันลิกาไปเกิดที่ไหนวันพวนี้ตั้งใจไปอีกพอไปอีกว่าจะถามพระ พ, พุทธเจ้าบัตรดานให้ลืมไปถึงกับพูดแต่อย่างอื่นกับทูลอย่างอื่นถามอย่างอื่นกลับมาอีกจนถึงวันที่เจ็ดพอวันที่เจ็ดนางมันลิกาเนี่ยพ้นจากกรรมไปตกนรกอยู่เจ็ดวันฮะออกจาก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 พญาประสิทธิโกศลโอ้ข้าพระองค์สเสด็จมาก็มาจะมาทูลถามพระพุทธองค์ว่านางเบลกาอัคคมเหสียอดที่รักของข้าพระองค์นี่ตายแล้วสวรรคคตแล้วนี่ไปอยู่ที่ไหนหนอพระเจ้าข่านะแต่เพิ่งระลึกได้เดี๋ยวนี้แต่คิดจะจะมาถามตั้งหลายครั้งพระธองค์บอกเออนางเบลกาไปสู่สวรรค์แล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นพญาประสิทธโอ้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 เจ้าของเราจะถึงจุติหรือเลยถึงวันสิ้นสุดหรือหมดอายุพวกเราควรจะฝึกเอาไว้ให้ภาวนาเอาไว้ให้จิตใจเข้าหมดสู่ความสงบเข้ามาอยู่จุดหนึ่งเข้ามาสู่จิตจุดที่เป็นบุญกุศลถ้าพวกเราจิตใจของเราเข้ามาสู่บุญกุศลเป็นกุศลพวกเราก็ไปสู่สวรรค์ท้าว่าพวกเรา ทำจิตใจให้สงบหนึ่งเป็นหนึ่งน่งเป็นญาณทัตนะเกิดฌานจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตใจรวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิในขณะนั้นโน่นและที่ส่งโด่งไปถึงพรมเลยท่านนี่ไอ้พวกฤาษีทั้งหลายเขาพอตายแล้วก็ไปสู่พรมเกือบทั้งนั้นเลยแต่พวกอเ น, นส่งทานอเ น, น ส, งส่งศีลเนี่ยไปสู่สวรรค์นะอเนส่งทานอเนส่งศีลนี่ไปสู่สวรรค์ อ, นนนอนนสสนเนส่สนนสงภาวนานี่ย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 ท่านจะได้เดินทางไกลนะท่านได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้เพียงพอหรือยังแล้วท่านจะไปพักที่ไหนล่ะมีที่พักหรือยังเห็นไหมหรือยังที่พักได้คิดไว้ที่ไหนที่พักหรือยังเออถ้าหากว่ายังไม่รู้จักที่พักเสบียงเดินทางก็ยังไม่มีท่านเดินทางไปจะรับความลําบากนะตกทุกข์ได้ยากนะเพราะนั้นท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมเตรียมเสบียงเดินทาง แล้วก็ได้คิดเอาไว้ว่าจะไปพักที่ไหนพักที่ไหนก็คือสวรรค์ชั้นไหนฮะแต่าาหากว่าเราไม่ได้คิดเอาไว้เนี่ยตกนรกบกไหมเนี่ย เ, เพราะชีวิตของพวกเราจะต้องเดินทางไกลเพราะพระพเจ้าเตือนพ่อของนายช่างทองอคนแก่นั่นกมีสติขึ้นมาทานันทีโอ้ใช่ข้าเนี่ยประมาทจนเกินไปใช่แล้วไม่คิดว่าตัวเองจะตายอยู่เป็นวิวีวันวันไป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 วิธีการปฏิบัตินั้นคืออะไรต้องศึกษาเนี่นี่แหละให้พวกเราฟัง MP ็สที่หลวงพ่อแจกให้หนะลวงพ่อมีเธอสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีบางกันของพยายามสอนให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตนให้มีศีลหนะ้าเน้อให้มีทานให้มีศีลเนอ้อให้มีภาวนาเนะ้ออยู่ในนั้นมีเอาวันนี้การพูดแนะแนว